ธรรมะชาดกผ่นที่12บสองลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18ทธันวาคม2557หมีชื่อเรื่องว่าวิบากกรรมของพระติศสะออวันนี้หลวงพ่อเองได้ฟัง โฆศกหรือว่าผู้เกี่ยวข้องได้กล่าวรายงานว่าวันนี้พิธีกรรมพิธีการของพวกเราเมีจุดประสงค์อะไรอันดับแรกก็คือพิธีตําบุญตักปาดถวายพระทหารพระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรจากนั้นก็เริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าจุงหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏณโครงการ168แพททีน้ำเลขที่168หมู่ที่6ตตำบล น, นาดีอำเภอเมืองจังหวัดรธานีในวันพระหัสที่18ทธันวาคมพุทธศักราช2557 ต่อนนี้ไปคณะผู้จัดงานก็ได้กล่าวประราธนานิมนต์พระสงฆ์หรือว่ากลาบประราธนานิมนต์หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมก่าวสมโอธนิยกถาในงานถือว่างานนี้เป็นงานมงคลมหามงคลยิ่งที่ยกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีเป็นต้น เป็นที่เคารพศักการะของพวกเราเพราะนั้นพวกเราในฐานะประสบนิกรทั้งหลายได้น้อมใจกันเพราะว่าวันที่ห้าที่ผ่านมาพวกเราก็ได้ทำเคารพศักการะแต่ละสำนักอย่างพระสงฆ์อย่างวัดของหลวงพ่อนก่ได้เจริญพระพุทธมนตในสำนักงานต่างๆทั่วประเทศก็คงจะได้แสดงออกซึ่งความเคารพสักการะ แต่วันนี้พวกเราก็ยังมีทางบริษัทแพททีนัมของพวกเราไปยังได้จัดงานขึ้นมาอีกเพื่อให้ชักชวนพี่น้องประชาชนได้มาร่วมกันแสดงออกถึงมุทิตาสักการะและกระพร้องกันได้จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนดูแลสองอาพาศแต่ท้งนี้ท้งนั้น หลวงพ่อเองก็อยากจะประกาศให้คณะสงฆ์ทั้ง80กว่ารูปที่เป็นเจ้าวาดทั้งหมดแต่ทำไมจึงมีชื่อว่ามูลนิธิพระอาเจนาาจารย์อินถวายสันตุสโกอันนี้ก็ฟังฟังดูแล้วมันก็ทำแม่งทำแม่งอยู่เหมือนกันถ้าว่าผู้ไม่รู้จากต้นปลายสาเหตุแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองได้ตั้งมูลนิธิที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่น อันนั้นก็คือที่แร ก, กว่าทุนนิธิจากมิเชโมลนิธินะทุนนิธิหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดป่าวัดหินหมักแป้งต่อมาเราขึ้นมาสร้างตึกชั้นสิบของโรงพยาบาลศรีนครินตึกสมเด็จญาตึกรเราไปคล้ายๆกับไปบูรณะหรือว่าไปทาในชั้นที่ส0ของโรงพยาบาลศรีนคริน ตอนี้เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะตั้งชื่อว่าอย่งไรถ้าจะตั้งชื่อว่าหลวงปู่เทศเทศรังสีก็มีลูกศิษย์หลวงปูขาวหลวงปูฟัน่นหลวงตามหาวโรมิหลายองค์ถ้าเราตั้งชื่อว่าหลวงปู่มั่นซะเพราะเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานน่ยดีไหมค่ะคณะกรรมการทั้งหลายก็เห็นด้วยทางลูกศิษย์ญาณุศิษย์ทางหินหมักแป้งก็เห็นด้วยเพราะว่าเป็นส่วนกลางส่วนรวม ควรจะเป็นมูนิทิหลวงปู่มั่นก็ได้ตั้งชื่อว่ามูนิทิหออภิบาลมูลนิทิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตน ะ, ะนี่ก็ครูบาอาจารย์พระสงฆ์พระเทรามหาเถรเะก็ได้เข้าไปโรงพยาบาลแล้วเข้าไปในตึกหลังนี้ดูแลสงทางหมอทางพยาบาล ก็ได้ดูแลพระสงฆ์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเขว่าประสบผลสําเร็จดีมากดีเยี่ยมทีนี้ก็โรงพยาบาลศูนย์อุดอรของเราโรงพยาบาลอุดอรของเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลอยู่ในกลุ่มหลายจังหวัดแล้วก็เป็นโรงพยาบาลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพา ก, ก็ยังเย่งองหลวงตามหาบัวได้มาสร้างตึกสิบชั้นที่โรงพยาบาลจากนั้นก็มีพระสงฆ์ใน กลุ่มของพวกเรามีจังหวัดหนองคายเบิงการสกลนคร น, น้องบัวลําพูจังหวัดเลยเแล้วก็ในแถบนี้ก็เป็นมีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์พระเทวราชเทระเยอะออในในอีสานเหนือของพวกเราก็ถือว่าจังหวัดอุราเป็นจังหวัดที่มีครูบาอาจารย์มากที่สุดในกลุ่มในกลุ่มทางอีสานเหนือ เพราะนั้นหลวงพ่อเองก็บอกว่าหลวงตาสร้างตึกขึ้นมาแล้วน่าจะมีมูลนิธิรองรับผ้าสง์เหล่านี้แต่คือพราสง์เหล่านี้เมื่อเข้ามาโรงพยาบาลหลวงพ่อก็ทราบหรือหมอหรือพยาบาลอาจจะนั่งอยู่ที่นี่ก็ได้นะแต่หลวงพ่อก็จะพูดให้ฟังว่าเมื่อพราสง์เข้ามาป่วยในโรงพยาบาลศูนย์อุดรเนี่ยเสร็จแล้ว เมื่อหายป่วยแล้วท่านจะกลับวัดบางองค์ไม่มีเงินค่ารถกลับพยาบาลกับหม อ, อ, อก็แชร์เงินกันเพื่อนำสงพระสงฆ์ที่ท่านป่วยสงถึงวัดของท่านแล้วก็พระสงฆ์ที่มาป่วยองค์ที่ท่านป่วยท่านก็ได้ฉันฉันอาหารในโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลเขาทำอาหารเลี้ยงผู้ป่วย แต่ผู้ติดตามป่วยนั่นะคือบางทีอาจจะมีพระหรือเนนมาเฝ้าป่วยองค์สององค์มาเฝ้าครูบาอาจารย์ของตนเององค์นั้นไปบินทบาทก็ไม่รู้จะบินทบาด ท, ที่ไหนศรัทธาญาติโยมก็ไม่รู้จะเอาอาหารมาเลี้ยงอย่างไรอันนี้ก็เป็นปัญหาในโรงพยาบาลศูนย์อุรอดรานของเราเพราะนั้นหลวงพ่อมาคิดถึงจุดนี้จึงได้คิดว่าน่าจะมีมูลนิธิรองรับ พระสงฆ์ที่มาป่วยแล้วก็พร้อมกันในเมื่อพระสงฆ์ท่านป่วยลงแล้วแล้วก็องค์ไหนที่จะต้องได้ใช้โูนิธิยาบางตัวมีราคาแพงโรงพยาบาลก็ไม่กล้าใช้เพราะว่ายาบางเม็ดมันราคาสูงโรงพยาบาลถ้าเรามีโมนิธิอย่างหลวงปู่มั่นอย่างหอพิบาลหลวงปู่มั่น เมื่อคราวที่แล้วพระเถระท่านหนึ่งท่านป่วยแตท่ทางโรงพยาบาลศรีนครินบอกว่าจะได้ใช้ยาเาพราะตรวจ ด, ดูแล้วจะต้องต้องได้ใช้ยาเกี่ยวกับการป่วยของพระเถระท่านนี้เพราะว่าเราจะใช้เคมีบำบัดยาเคมีบำบัดแต่ว่ายาเข็มละแสน จะได้ใช้อยู่แปดเข็มแปดเดือนเอเดือนละเข็มแปดเดือนก็บอกแปดแสนท่านทางหมอและพยาบาลเขาก็มามาถามหลวงพ่อวันในฐานะหลวงพ่ออินเนี่ยเป็นประธานมู่นิธิเนี่ยจะใช้เงินไหมแปดแสนหลวงพ่อก็ถ้าหากว่ามันหายไหมบอกว่าหายพอได้ทดลองทดสอบดูแล้ว เกว่าถูกกับยาเคมีบำบัดพอใส่ยาเข้าไปรู้สึกว่าเชือเ้อเมลงสงังกหลวงพ่อก็เออเอาเอาเลยหลวงพ่อก็โอนเงินจากทุนนี้ที่เข้าไปเพื่อรักษาห0 0 0 0 0บาทอีกส0 0,000 นั้นเอาไว้ก่อนนะเผื่อสิทธิ์ยาด้สิทธิ์ของท่านเมื่อทราบข่าวแล้วท่านจะได้ร่วมสมทบกันเข้ามาแต่ถ้าหากว่าไม่มีนะบอกมาอีกเดี๋ยวจะโอนไปให้ ครบทั้ง 800,000 น, นี่แหละโรงพ่อก็ได้ใช้จ่ายอย่างนั้น่ะมีประโยชน์สำหรับดูแลพระสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลศรีนครินแต่นี่มาพูดถึงโรงพยาบาลศูนย์อุดรหรงพ่อก็ได้ตั้งูมงนิธิคืนมาก็มีนี่แหละท่านประหลัดจังหวัดของเราเนี่ยนะท่านนิคม อ, อ, อะไรนามสกุลเ น, นี่ยนะ ประหัจังหวัดของเราใหม่เนี่ยนะจากมามาจากอำเภอกุมภวาปีเนะี่ยหลวงพ่อก็จจำนามสกุลทั้งที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยแหละออแต่เป็นกรรมาการท่านหนึ่งในมูลนิธิแล้วก็พอออนนั้นแล้วก็มีทางโรงพยาบาลด้วยทั้งหมดมี15้าท่านนะมูลเจ้าของมูนิธิเนี่ยคือดูแลมูลนิธิหลวงพ่อเนี่ยทีแรกหลวงพ่อเองก็อยากจะตั้งชื่อว่ามูลนิธิ หลวงตามหาบัวญนะสัมปนโเ น, นีหลบพ่อจะตั้งจะตั้งชื่อแต่ว่าก่อนที่จะตั้งชื่อหลวงตามหาบัวได้เนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากวงสาคนาญาตญาติผู้ใหญ่ขององค์หลวงตาจะเป็นน้องสาวหรือเป็นใครก็ได้ที่เป็นผู้ใหญ่อนุมัติว่าเออเอาเห็นด้วยที่จะเอาชื่อและนามสกุลของหลวงตาเนี่ยมาใช่ตอนนี้พอเราเตรียมเสร็จแล้วก็ให้คุณหมอ โรงพยาบาลศูนย์อุดรเ น, นี่ยนะ เ, เข้าไปหาทางญาต์ของหลวงปองหลวงตาแต่ญาติของหลว ง, ง, งต า, า, ตงงตาท่านก็ปฏิเสธมาว่าไม่ไว้ใจเพราะว่ามูลนิธินี่พอตั้งขึ้นมาแล้วอาจจะไปเลี่ยไรายอาจจะไปหาเงินทำให้กิจศัพ์ชื่อเสียงของหลวงตาเสียหายเพราะนั้นให้ไม่ได้เพราะหลวงตาก็จากไปแล้วไม่รู้ใครจะรับรอง ทั้งหมอทางพยาบาลหมอพยาบาลก็กลับมาบว่าไม่ได้ท่านอาจารย์เพราะว่าทางญาติของหลวงตาไม่อนุมัติหลงพ่อก็เออใช่อันนี้ก็มีส่วนมากๆเหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีผู้ดูแลก็ทําให้เมื่อเราได้ชื่อของท่านแล้วอาจจะไปอบอกกล่าวเรี่ยไรวันนี้มูลนิธิของหลวงตามาหาบัวนะั่นก็ไปหาเรี่ยไร ก็ทำให้กิจจิตภาพชื่อเสียงขององค์หลวงตาเสียได้อีกเหมือนกันเอาเถอะหลวงพ่ออินเนี่ยเออเป็นผู้ที่เริ่มเป็นผู้คิดแล้วก็ได้ทำมากับโรงพยาบาลศรีนครินมาแล้วรู้สึกว่าได้ผลดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์เออมาโดยตลอดค่าวนี้ก็คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์เหมือนกันถึงยังไงใครจะเรียอะไรแผขออย่างไง หลวงพ่อก็ยังดูดูรู้รู้รอยู่ถ้าออกนอกลูนอกทางหลวงพ่อก็คงจะปรามได้เอาเอาเชื่อหลวงพ่อออกขายก่อนก็นแล้วกันก็เลยตั้งชื่อว่าโมนนิธิพระอาจารย์อินถวายเพื่อดูแลสงอาพาสโรงพยาบาลอุดรธานีเนะี่ยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อเองก็ได้พูดกับคณะแพทย์คณะบริหารทั้งสิท่านาที่เข้ามาไปชมบกบ ห, หลวงพ่อบอกว่า ูมนิธิอันนี้ถึงจะมีชื่อหลวงพ่ออินก็เถอะแต่ต่อไปภายภาคหน้าเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เป็นผลดีต่อคณะสงฆ์การบริหารคณะสงฆ์แล้วหลวงพ่ออาจจะเมื่อตั้งแล้วก็ขอตั้งโมนิธิขององค์หลวงตาขึ้นมาอีกนะเพราะว่าไม่มีพิษมีภัยอะไรญาติพี่น้องของหลวงตาก็คงจะอนุมัติตั้งชื่อว่า โมนิธิหลวงตามหาบัวญา น, นสัมปนโนในเมื่อมีมูลนิธิหลวงตามหาบัวขึ้นมาแล้วมูลนิธิหลวงพ่ออินถวายนีย่ก็จะยบมูลนิธินี้เข้าไปรวมเป็นมูลนิธิขององหลวงตาเพื่อให้เป็นเกียรติประวัติขององค์หลวงตาดูแลพระสงฆ์อาพาธต่อไปภายภาคหน้านะ่ะสรุปแล้วหลวงพ่อเองไม่ได้อยากจะได้หน้าอยากจะได้ตา ไม่ได้อยากจะมีอะไรอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้ภาคราชสงหรือคณะสัต ธ, ธาญาติโยมได้ทราบทวนโคตรทั่ ว, วทั่วกันและก็พร้อมกันเมื่อไม่นานมานี้ทางขอออโรงพยาบาลศูนย์เมื่อท่านเข้ามารับหน้าที่ท่นมาจากย้ายมาจากที่อื่นแต่คนก่อนหลวงพ่อก็ได้พูดแต่ท่านตั้งตัวไม่ทันเพราะหลวงพ่อเพิ่งเพิ่งพูดให้ท่านแต่อง พ อ, อท่านใหม่ท่านเข้ามา <c oughs> หลวงพ่อกบอกว่าเอ้ยท่านพอออาตมาเองเข้ามาเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแล้วก็ได้ทราบจากคณะสงฆ์หมู่พวกเพื่อนอที่เป็นหมู่พวกน้องๆของหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าผ้าหากว่าพระเข้ามารงพยาบาลศูนย์อุดรเนี่ยพอเข้ามาถึงแล้วก็ไม่รู้จะไปติดต่อไปสารงานกับท่านผู้ใด เดินป้วนเปียนตัวเต๋ไปมาบางทีถ้าจะไปเรียงคิวกับคารวาสมันดูก็ไม่เหมาะถ้าจะเข้าไปลัดคิวดูก็ไม่เหมาะไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็พาก็เดินไปป้วนเปียนไปป้่นเปียนมากว่าที่จะได้รับการดูแลเรื่องรับความสะดวกสบายจากโรงพยาบาลก็เสียเวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นอาตมาเองเ อ, อยากจะขอร้อง กับท่านผอเนี่ยนะให้เป็นเขตเอาเชือกกั้นจะเอาเก้าอี้ให้พระสงฆ์ได้นั่งถ้าองค์ไหนเข้ามาแล้วก็ภิกษุสามเณรให้เป็นกลุ่มเหมือนกับอยู่ในสนามบินนั่นแนหะมีเก้าอี้มีอะไรไม่ถึงกับหรูหราอะไเก้าอี้ยางก็ได้อามาให้ท่านได้นั่งพอนั่งเสร็จแล้วก็นเนี่ยอยากจะให้ไม่ใช่หมอก็ได้เอาพยาบาลก็ได้ท้าหมอถ้าหมอห ม, อมีมีน้อย เอาพยาบาลก็ได้มานั่งโต๊ะแล้วก็ถามว่าท่านมาจากวัดไหนท่านบวชมาเท่าไหร่ชื่อของท่านว่าอย่างไงท่านมาคราวนี้ท่านมาเพื่อประสงค์อะไรผ้าสงก็จะบอกว่าอาตมาปวดตาอาจจะมามาปวดฟันปวดท้องกับท่านก่อนเกิดกำออบอกเรียนให้ทราบให้พยาบาลทราบพอพยาบาลจดรายชื่อได้แล้วก็เนะ่ยส่งไปหาหม อ, เ, อ, อเฉพาะ หมอตรวจเฉพาะทางอำนวยความสะดวกให้พระสงฆ์อย่างนี้จะพอได้ไหมแตมาเองกับผมเองก็ได้พูดอย่างนั้นแหละครับเพราะ อ, อคือสรุปแล้วก็คือไม่ได้นิ่งดูใด้สำหรับหมู่พระสงฆ์เพราะหลวงพ่อเองก็ได้มาช่วยทางโรงพยาบาลทางเครื่องไม้เครื่องมือแต่เมื่อกี้เนี่ยทาจะไม่พูดให้คณะตัดทายญาติโยมฟังเฉลย ก็คิดว่าพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อนี่ได้ช่วยเหลืออะไรบ้างในโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลศูนย์อุดรหลวงพ่อก็ได้ซื้อรถแอบวอลเลนนะคณะสัตยาญาติโยมคันหนึ่งให้มอบให้โรงพยาบาลเมื่อไม่นานมานี้นะอันนี้กับราคาก้าล้านเ้านะและกับตึกหนีไฟหลวงพ่อกําลังสร้าง อ, อยังไม่เสร็จนะสำหรับให้พี่น้องประชาชนคนชาวบ้านนอกเข้ามาเยี่ยมป่วยแล้วไม่รู้จะพักที่ไหน โรงพยาบาลทำตึกชั้นล่างสำหรับให้เป็นที่พักของคนมาเยี่ยมไข้แล้วก็มีห้องน้ำหญิงชายมีห้องน้ำคนพิการด้วยอันนี้ก็คือโรงพยาบาลแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้โรงพ่อก็ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นน ะ, เ, ะเครื่องโอลิมปัสผ่าตัดด้วยความถี่สูงราคาล้านเจ็ดนะส่งให้แล้วนะ และกระรงพยาบาลสีนครินหลวงพ่อก็ซื้อเครื่องมือแบบชนิดเดียวกันราคาล้านเดเหมือนกันเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงเลือดไม่ออกนะผ่าตัดแล้วเลือดไม่ออกนะและก็พร้อมการหลวงพ่อก็ได้ไปทอดอผ้าป่าสามาัคคีให้โรงพยาบาลชุมแพเมื่อ ไ, ไม่นานมานี้และก็ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเอกนะเพื่อเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงแต่เป็นบริษัทจอร์นสัน ประเทศไทยอันนี้ก็ซื้อให้เรียบร้อยแล้วนะล้านหตอนนั้นนะชมแพล้านหกสีนคารินล้าน7โรงพยาบาลศูนยล้าน 7, เจ็ดอ่าแปลว่าหลวงพ่อเองก็ได้ช่วยทางโรงพยาบาลนะคณะสัาาาญญาตยาิโยมโลูกหลานนะนี่แหละถ้าว่าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังพวกคณะสัตยาธาญญาโยมทั้งหลายก็คงไม่รู้ว่าพระสงฆ์อยู่ในปา่าดงพงไผ่ได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรบ้าง แต่เมื่อพูดอย่างนี้นะบางท่านบางคนก็โอ้ยหลวงพ่อยินทำมาแล้วแหะขี่อวดอวดหน้าอวดหลัง อ, อย่าไม่ใช่อวดนะลูกหลานนะหลวงพ่อพูดตามความเป็นจริงให้ฟังนะเพราะนั้นหลวงพ่อนีอ่ได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมไม่ใช่แต่เช่านั้นนะโรงร่าโรงเรียนหลวงพ่อก็ได้ช่วยสาธารณประโยชน์ให้กับลูกหลานหลวงตาพาดําเนินหลวงตาท่านช่วยสงเคราะห์ เราในฐานะลูกศิษย์ไม่ใช่วัดรอยโหลตานะเดินตามเมื่อนเราเดินตามรอยพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแนหะพระพุทธเจ้าพาดําเนินอย่างไงให้มีศีลมีธรรมอย่างไรพวกเราก็มีศีลมีธรรมตามพระพุทธเจ้าเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดาเนินอย่างไรนะวันนั้นขอตมาเองก็ได้มาในสถานที่แห่งนี้วันนี้ก็ถือว่า เป็นวันที่พวกเราจะได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อให้โมนิธิพระอาจารย์อินถวายไม่ใช่ให้หลวงพ่อนะอยไปคิดให้หลวงพ่อนะคณะกรรมการที่จะสั่งจ่ายเงินตัวนี้มีอยู่5ท่านนะและมีทั้งมนมีอยู่สิบห้ท่านผู้มีสิทธิหลวงพ่อจะไปเซ็นจ่ายสั่งเงินคนเดียวไม่ได้เด็ดขาดตั้งห้าคนในห้าคนแล้วก็มีการตรวจบัญชีหรือปีหนึ่งมี มีครั้งหนึ่งที่ตรวจบัญชีว่าใช้จ่ายอะไรไปบ้างเพราะในเงินที่เข้าบัญชีมูลนิธิเนี่เป็นเงินที่เข้าออกใช้ด้วยความบริสุทธิ์จริงๆไม่มีการถเลถลไถลไปทางอื่นแน่นอนดูแลสงอาพาเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราถือว่าเป็นวันมงคลสำหรับพวกเราจะได้ร่วมกันคนละมากละน้อยเพื่อดูแลสงอาพาเพราะพระเจ้าท่านตรัสว่าดูก่อน สงฆ์ทั้งหลายผู้ใดก็ตามอยากปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกษุไ่ายให้ดูแลภิกษุไ่ายอันนี้ก็คือพวกเราก็ะเด็ดแปลว่าได้ดูแลภิกษุไ่ายเพราะเราได้เสียสละจะตกปัจจัยเพื่อบำรุมพระพุทธศาสนาเพื่อเอาเข้ากองทุนได้ดูแลพระสงฆ์อาพาธคำนี้มาจากไหนที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้มาจากไหน สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีมีพระติด ช, ชื่อติดชัพระติดสักท่านป่วยที่แรกท่านก็เป็นผืนคันพอเป็นผืนขึ้นมาเท่าเมล็ดงาต่อมาเป็นเท่าเมล็ดข้าวโพดต่อมาเป็น เ, เมล็ดพดสาคือหมักทันของเรานี่ยนะต่อมาก็เป็นแผล ผ, ผุพองใหญ่ขึ้นมา เ, เท่ากับ ลูกตาเนี่ยมีหลายตุ่มกระแตกพอแตกข้อบันแผลมกะก็เละท่นอเละที่แรกใหม่ๆมีพระสงฆ์สามเณรก็ช่วยกันดูแลพอต่อมามันเหม็นท่นี้อมันเหม็นก็ไม่มีใครเข้าไปใกล้ท่นี้ขอมันเหม็นขยะขยะแขยงพระสงฆ์ทั้งหลายลบพระพุทธเจ้าในวันนั้นท่านพระพุทธองค์เข้านั่งสมาธิจวนสว่างใกล้รุ่งคือพระพุทธเจ้า ตี3ตีเนี่ยพระองค์จะนั่งเข้าสมาธิเข้าฌานสมาบัติจากนั้นทางก็มองดูสัตวตโลกคล้ายๆว่าสายเลดาไปในขอบจักรวาลมีอันไหนบ้างที่พระองค์จะได้เข้าไปช่วยคล้ายๆไปแนะนาสั่งสอนท่านก็มองไปในกอบจักรวาลมองเข้ามาอยู่ถึงวัดป่าเชดตะวันที่พระองค์ประทับอยู่ก็เห็นพระติษสป่วย ป่วยอาการหนักเทเน่ไม่มีใครดูแลไม่ไมีใครดูแลท่านพระองค์บอกโอ้ถ้าเราไปโปรติสสะติสะจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันในวันนี้น่ยพอพระองค์ตอนชเช้าก็ไปบิณฑ บ, บาตมาฉันเพราะฉันน่ะตอนสายสายเทเน่พระองค์ก็คล้ายๆกับว่าหาเรื่องที่จะเสด็จภายในวัดลักษณะนั้นแหละอพอพระองค์จะเสด็จภายในวัดพระอานอนท์ก็เดินตามหลัง เดินตามหลังพระพุทธเจ้าพอเดินไปพระพุทธออกก็เดินไปก็ไปเห็นไปคุไปเห็นพระติดสนะพระติดสานอนอยู่ใต้ทุนะออไม่มีใครดูแลเพราะมันเหนม็นมีกลิ่นเหม็นขาวพระโตออกบอกว่าติดสะเธอเป็นอะไรโอ้ยข้าพระองค์อาพาธป่วยพระเจ้าค่ะมีผู้มีผู้ดูแลท่านไหมเนี่ยไม่มีพระเจ้าค่ะเพราะว่าข้าพระองค์ไม่มีอตัตเลกาลาไม่มียศ ไม่มีจิงเจตตอบแทนพระเนนเลยไม่มีพระเนนเขามาดูแลกระผมพระเจ้าขาโอ้จากนั้นพระองค์ก็บอกไปอานณอมไปต้มน้ําำพระอานณอมก็ไปก็ต้มน้ําพอน้ําอุ่นขึ้นมาแล้วก็เออซักผ้าให้ชักผ้าให้พระติดสะแล้วเอาไปพึ่งแดดจากนั้นพระองค์เป็นผู้เอากระบวยจากน้ําอุ่นราดพระติดสะนะ ผ้า อ, อนนลเป็นผู้เป็นผู้ อ, อาบน้ําให้กับพระสงฆ์ก็คงจะมาช่วยกันเท่นี่มาหลายออกมาลุมมาตุ่มเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้พาดําเนินเป็นผู้ผ่าธรรมใช่ไหมพระสงฆ์ก็เลยเช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือทําความสะอาดนะจากนั้นพอผ้าแห้งแล้วก็นิมนต์ผ้ะผ้าติศสานอนพอนอนเสร็จแล้วเอาผ้าห่มให้แล้วเท่นี่ พระพุทธออกก็ถามว่าดูก่อนติดสัเธอว่าร่างกายนี้เป็นของเธอใช่ไหมพระติชากรนิ่งถ้าว่าเป็นของเธอเธอบอกว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยอยา่าไข้เธอบอกได้ไหมไม่ได้พระเจ้าขาะถ้าเธ อ, อว่าร่างกายสังขารนีเมื่อบอกไม่ได้อย่างนี้เธอจะจัดว่าเป็นของเธอเป็นของเธออยู่ยหรือไม่พระเจ้าค่ะ นั่นแหละติดสัร่างกายนี้เป็นไม่ใช่ของเธอนะเออเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรานะติดสานะเธออย่าไปยึดร่างกายสังขารว่าเป็นตัวตนของเรานะติดสานะเธอต้องปล่อยวางนะติดสานะอย่าไปยึดมั่นจื้อมั่นในร่างกายว่าเป็นของเรานะติดสานะเพราะพระติดสาได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พระองค์กำลังเทศนาว่าการแนวอริยสัจให้พระติสักฟังพระติสาก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็เดินกลับกุฏิจากนั้นท่านก็ได้มรณภาพในวันนั้นในเมื่อมรณภาพเสร็จแล้วพระองค์เขาว่าให้ไปเอาพระติสักไปไปชมเพลิงพอไปชมเสร็จเพลิงเสร็จแล้วพระองค์บอกว่าให้นํากระดูกพระติสาน ไปไว้ในทางสีแป้งให้คนได้กราบได้ไหว้อันนี้คือกระดูกพระรหันต์ท่านได้สําเร็จเป็นพระรหันต์แล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็สงสัยเอ๊ะทำไมพระติศาได้สําเร็จพระรหันต์ในช่วงไหนพระเจ้าค่ะเออช่วงที่เราไปเทศให้ฟัง เ, เรื่องให้พระติศะปล่อยวางไม่ให้ยึดยึดมั่นถือมั่นนี่แหละท่านได้สําเร็จในช่วงนั้นจากนั้นก็ทําไม น, นิสัยมักขนนิพานมีถึงขนาดนั้นทําไมจึงได้ใช้กรรมขนาดนั้นหนอพระเจ้าค่ะพระโตองบอกว่ากรรมเก่ากรรมเก่าคือสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยพัิสาเป็นนายพราน เ, เป็นนายพรานไปเป็นนายพรานนก อ, อ, อยู่ในป่าแล้วก็จับนกต่างๆเอามาขายถ้านกตัวไหนจับได้แล้วขายขายไม่ออกขายไม่ได้หักเปีก หักขามัน เ, เพื่อไม่ให้มันไปได้จากนั้นวันต่อมาจะค่อยเอาไปขายต่อเองนี่แหละเป็นอาชีพของเขาอายุเขายืนยืนมากจากนั้นนี่แหละเขาใช้กรรมแต่ว่ากรรมดีของเขาก็มีในขณะที่เขาไปในปา่าเขาไปดักแล้วในปา่าเพื่อดักนกนะเขาไปได้หนักดักนกในปา่าพอเข้าไปแล้วเขาไปเห็นพระเถระท่านหนึ่ง อยู่ในถ้ำแล้วฝนตกทั้งวันทั้งคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนพระอานันต์ก็ไม่มีร่มไม่รู้จะไปทางไหนถ้าก็นั่งจุกอยู่ในถ้ำพระเถระท่านนั้นแต่นี้ยอมผู้เป็นนายพรานดักนกเอ้ไม่ท่านจะได้ฉันจังหันอย่างไงท่านอยู่ในถ้ำเราเดินผ่านพระก็เห็นแต่ท่านอยู่ในในเงื้อมผานพอมาถึงบ้านตัวเองก็เลยมาเรีบทําอาหารท่านี พอทำอาหารเอาอาหารพวกอาหารนกอะไรแต่ทําอาหารเสร็จแล้วห่อใบตองกล้วยอย่างดีเพื่อไม่ให้ฝนถูกเสร็จแล้วก็นําไปถวายถวายพระเทระจิตอยู่ในถ้ำพระเทเรไม่ได้ฉันอาหารพระทั้งหลายวันเพระฝนตกพระเทเรก็ลบอกว่าอยอมคนนี้ก็เออสาธุนะบุญของข้าไปเจ้าที่ได้ถวายพระทหารในวันนี้ บุญกุศลเพื่อท่านได้สําเร็จได้มักได้ผลอย่างไรท่านรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรก็ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เห็นธทำอย่างที่ท่านได้รู้ได้เห็นด้วยทุกประการเทินพระเทลาก็เออขอให้โยมปรารถนาจริงใดขอขอให้สมหวังดังปรารถ น, า, น า, นะาเท่าน้โยมน่ะพระเทล่ท่านนั้นก็เป็นพระหรหันนะยันอยู่ในถำ้ำท่านหมดกิเลสแล้วท่านก็ให้ศีลให้พรนั่นแหละบุญกุศลของ ติดสารนี่นะทำบุญในคราวนั้นเป็นคราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบุญกุศลตอนนั้นน่ะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเขาจนถึงเขามาในพบนี้ชาตินี้จนเขาได้สําเร็จเป็นพระรหันจากนั้นก็พระโตตรอก็บอกว่าดูก่อนสงทั้งหลายท่านเรียกพระสงฆ์มาไปชมนะทีนี้เพราะว่าไม่มีใครดูแลพระติดสารท่านก็เรียกพระสงฆ์มาไปชมที่ฟัดป่าเชตะวันพอไปชมเสร็จแล้ว พระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนสงทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเข้ามาบวชในศาสนาของเราตถาคตห่างจากพี่จากน้องจากพ่อจากแม่จากวงศาคณาญาติแล้วก็มาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต่อไปนี้ถ้าหากว่าพระอุปัชฌาย์อาจารย์ป่วยลูกศิษย์ต้องดูแลรักษาถ้าหากว่าลูกศิษย์เจ็บไข้ได้ป่วยครูบาอาจารย์ ต้องดูแลรักษาถ้าว่าผู้ใดไม่ดูแลรักษาปรับอาบัติทกกฎผิดศีล น, นะพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายผู้ใดก็ตามอยากปฏิบัติเราตถาคตอุปถัมปะถาเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกษุไขายอันนี้สง์บุุกุลเท่าเทียมกันนี่แหละขอฟังไว้นะครับนะัศาญาติโยมความหมายและคาหมาย ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่านี่คือคํานี้นะ่ะเกิดขึ้นมาในที่พระติศตีระป่วยอาพาธหนับอยู่ที่กรุงอยู่ที่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารกรุงสวัรค์ถีนะที่พระองค์ได้ตัดคํานี้ขึ้นมาเพราะนั้นคํานี้เป็นคําที่พวกเราท่านทั้งหลายคณะบดพุทธบริษัททั้งหลายควรจะใส่ใจนะควรจะ ทำบุญกุศลให้กับพระสงฆ์อาพาธเป็นบุญเป็นกุศลหน้าคณะสัตยาญาติโยมลกหลานเอาการกล่าวสมโิชธนิยกถฐานในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราจงประสบ ป, ประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าของโครงการเนี่ยคุณสุรพันธ์พัฒนาพีบูรณ์พร้อมกับครอบครัวนะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านโดยเทิน